รูปสัญญเจตนาสูตรว่าด้วยรูปสัญญเจตนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปสัญญเจตนาความจํานงรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัทสัญญเจตนาความจํานวนเสียงคันทสัญญเจตนาความจํานวนกลิน่น รสสัญญเจตนาความจำนงรสโธพภะสัญญเจตนาความจำนงโผพพะธรรมสัญเจตนาความจำนงธรรมารมณ์ไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีละถึง จะสาเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้ารูปสรญยเจตนาสูตรที่เจ็จบ mm hmm. 8. รูปปัตหาสูตรว่าด้วยรูปปัตหาเรื่องเกิดขึ้ น, นที่ครูสาววัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปตันหาความทยานอยากในรูปไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นสัตตันหาความทยานอยากในเสียงคันทันหาความทยานอยากในกลิ่นระสะตันหาความทยานอยากในรสโผฏฐพะตันหาความทยานอยากในโผฏฐะธรมมตันหา ความทยานอยากในธรร ม, มารมไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศัทธานุสารีละถึงจะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้ารูปปัญหาสูตรที่8จบ ปัทวีธาตุสูตรว่าด้วยปัทวีธาตุเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปัทวีธาตุธาตุดินไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นอาโปธาตุธาตุน้ําเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศ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 วิญญาณไม่เที่ยงมีความแปรผันมีภาวะโดยอาการอื่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นทำเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวล่วงสู่อริยมรรคย่างลงสู่ภูมิของสัตวบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตยิระชานหรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปฏิพล์ภิกษุทั้งหลายทาเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีก้าวลงสู่อริยมรอย่างลงสู่ภูมิของสัตว์รุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทํากรรมที่ทําแล้วไปเกิดในนรกกาเนิดสัตย ร, ตราชานหรือภูมิแห่งเปรต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 รวมพระสูตรที่มีในสังยุตตนี้คือ 1. จักขุสูตร 2. รูปสูตร 3. วิญญาณสูตร 4. สัมผัสสูตร 5. สัมผัสชาสูตร 6. รูปสัญญาสูตร 7. รูปสัญญาเจตนาสูตร 8. รูปตัญหาสูตร 9. ปัปทวีธาตุสูตร1ิ ขันทสูตร 5. อุปาทสังยุตหนึ่งจากขุสูตรว่าด้วยจากขุเรื่องเกิดขึ้นในครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งจักขุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งโสตะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งคานะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งชิวหาความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งกาย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 ความดับแห่งโสตะความดับแห่งคาณะความดับแห่งชิวหาความดับแห่งกายความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งมโนนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะจากขุสูตรที่หนึ่งจบ รูปสูตรว่าด้วยรูปเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งรูปนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งสัทะแห่งคันตะ แห่งรถแห่งโพฏัพพะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรมมรมนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรค เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งศรัทธะแห่งคันธะแห่งรสแห่งโพธพะความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งธรรมารมนี้เป็นความดับแห่งทุกขเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะรูปสูตรที่สองจบ ว่าด้วยวิญญาณเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจักุวิญญาณละถึงเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะละถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งมโนวิญญาณละถึงเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งจัคคุวิญญาณละถึงเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะละถึงความดับแห่งมโนวิญญาณละถึงเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะวิญญาณสูตรที่สามจบ สสัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัสเรื่องเกิดขึ้นในครุงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจกักขุสัมผัสเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะและถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งมนุสัมผัสเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลาย ส่วนความดับแห่งจกักหุสัมผัสเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะและถึงความดับแห่งมโนสัมผัสเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสัมผัสสูตรที่สี่จบ สัมผัสชาสูตรว่าด้วยสัมผัสชาเวทนาเรื่องเกิดขึ้นในครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งจับขู่สัมผัสชาเวทนาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะและถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งมนุสสัมผัสชาเวทนา นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับแห่งจกักขุสัมผัสชาวเวทนาเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะและถึงความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งมโนสัมผัสชาเวทนาและถึงนี้เป็นความดับแห่ ง, ง, หงทุกข์ เป็นความสงบระ ง, งับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะสำพัสชาสูตรที่หจบหกสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญา เรื่องเกิดขึ้นใน่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปสัญญาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะและถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมสัญญานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งรูปสัญญาเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชารานะและมรณะละถึงความดับความสงบระ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งธรรมสัญญานี้เป็นความดับแห่งทุกขเป็นความสงบระ ง, งับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชาราแลนะมรณะสัญญาสูตรที่6จบ สัญญาเจตนาสูตรว่าด้วยสัญญาเจตนาเรื่องเกิดขึ้นในครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปสัญญาเจตนาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะละถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมสัญญเจตนานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุก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 สัญญเจตนาสูตรที่เจจบ 8. ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาเรื่องเกิดขึ้นใน่ครูสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แห่งรูปปัตหาเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะละถึงความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมตัณหานี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งรูปปัตหาเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะ ละถึงความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งธรรมตันหานี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะตันหาสูที่8จบ ท่าตุสูตรว่าด้วยธาตุเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งปฐวีธาตุเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุแห่งวายโยธาตุแห่งอากาศธาตุ ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งวิญญาณธาตุนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับแห่งปัทวีธาตุเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับแห่งอาโปธาตุความดับแห่งเตโชธาตุความดับแห่งวาโยธาตุ ความดับแห่งอากาศธาตุความดับความสงบระ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณธาตุนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระ ง, งับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะท่าตุสูดที่9้าจบ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 ความสงบระ ง, งับแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารความดับความสงบระ ง, งับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งวิญญาณนี้เป็นความดับแห่งทุกเป็นความสงบระ ง, งับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะขันธสูตรที่สิบจบอุปาทะสังยุตจบ คพระสูตรที่มีในสังยุตต์นี้คือ 1. จักขุสูตร 2. รูปสูตร 3. วิญญาณสูตร 4. สัมผัสสูตร 5. สัมผัสชาสูตร 6. สัญญาสูตร 7. สัญญาเจตนาสูตร 8. ตันหาสูตร 9. าทาตุสูตร 10. ขันทสูตร กิเลสะสังยุตหนึ่งจักขุสูตรว่าด้วยจักขุเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุนี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตฉันทราคะในโสตะนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในคานะนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ฉันทราคะในชิวหานี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตฉันทราคะในกายนี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตฉันทราคะในมโนนี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้ามองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอที่น้อมไปในเนคขมะอันเนกขมะอบรมแล้วควรแก่การงาน ปรากฏในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งจกขุสูตรที่หนึ่งจบ 2. รูปสูตรว่าด้วยรูปเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาววัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปนี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตฉันทราคะในสัตว์ฉันทราคะในคันธะฉันทราคะในรถฉันทราคะในโผพธิภะฉันทราคะในธรรมารมณ์นี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิ ต, ภ, รรจจตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้ามองแห่งจิตในฐานะหประการ น, นี้ได้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 วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักรวิญญาณนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตวิญญาณฉันทราคะในขานวิญญาณฉันทราคะในชิวหาวิญญาณฉันทราคะในกายวิญญาณ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 สสัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัสเรื่องเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจักขุสัมผัสนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตสัมผัสนา้า่ฉันทราคะในขานะสัมผัสนา้าฉันทราคะในชิวหาสัมผัสฉันทราคะในกายสัมผัส้า ชันทราคะในมโนสัมผัสนี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัมผัสสูตรที่สี่ สัมผัสชาสูตรว่าด้วยสัมผัสชาเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในจกักขุสัมผัสชาเวทนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในโสตสัมผัสชาเวทนาฉันทราคะในคานาสัมผัสชาเวทนา ฉันทราคะในชิวหาสัมผัสชาวเวทนาฉันทราคะในกายสัมผัสชาวเวทนาฉันทราคะในมโนสัมผัสชาวเวทนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัมผัสชาสูตรที่หจบ สัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคาในรูปสัญญานี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตฉันทราคาในสัทธาสัญญาฉันทราคะในคันทาสัญญาฉันทราคะในรศฐ ส, สัญญาฉันทราคะในโภภพธภาสัญญา ฉันทราคะในธรรมสัญญานี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัญญาสูตรที่หจบ <b> เจ็ด สัญญเจตนาสูตรว่าด้วยสัญญเจตนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปสัญญเจตนานี้เป็นความเส้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในสัทธสัญญเจตนาฉันทราคะในคันธสัญญเจตนาฉันทราคะในรสสัญญเจตนา ชันทราคะในโพธพภะสัญญเจตนาชันทราคะในธรรมสัญญเจตนานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งสัญญเจตนาสูตรที่เจ็ดจบ ตันหาสูตรว่าด้วยตันหาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในรูปตันหานี้เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตฉันทราคะในสัทธตันหาฉันทราคะในคันทะตันหาฉันทราคะในรสะตันหาฉันทราคะในโผธฐะตันหา ชันทราคะในธรรมตัณหานี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละถึงในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งตัณหาสูตรที่8ดจบ ประตูสูตรว่าด้วยธาตุเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฉันทราคะในปทวีธาตุนี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตฉันทราคะในอาโปธาตุฉันทราคะในเตโชธาตุฉันทราคะในวายโยธาตุฉันทราคะในอากาศธาตุฉันทราคะในวิญญาณธาตุ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 ขันธสูตรว่าด้วยขันธเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชันทราคะในรูปนี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตและถึงฉันทราคะในวิญญาณนี้เป็นความเศร้ามองแห่งจิตภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละความเศร้ามองแห่งจิตในฐานะหกประการนี้ได้เมื่อนั้น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 สารีบุตตะสังยุต 1. วิเวกชาสูตรว่าด้วยปฐมฌานมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสก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 วิเวกะชะสูตรที่หนึ่งจบสองอวิตกะสูตรว่าด้วยทุติยชาญไม่มีวิตกเรื่องเกิดขึ้นที่โครงสาวถีท่านพระอานน์ได้เห็น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 หรือออกจากธุติยชาญแล้วอวิตกะสูตรที่สองจบ 3. ปีติสูตรว่าด้วยตติยชาญที่มีปีติเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถี ท่านพระอานนท์ได้เห็นและถึงจึงถามว่าท่านสารีบุตรอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักสีหน้าบริสุทธิ์ผูดผ่องวันนี้ท่านสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุเพราะปิติจางคลายไปวันนี้ผมมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและสวยสุขด้วยนามกายอยู่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 หรือเข้าตติยฌานแล้วหรือออกจากตติยฌานแล้วปีติสูตรที่สจบ 4. อุเปคาสูตรว่าด้วย จะตุทชานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีท่านพระอานนท์ได้เห็นละถึงจึงถามว่าท่านสารีบุตรอินทรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักสีหน้าก็บริสุทธิ์ผุดผ่องวันนี้ท่านสารีบุตรอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุเพราะละสุขและทุกข์ได้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 ท่านจึงไม่คิดว่าเราเข้าจจตุทัชฌานอยู่หรือเข้าจจตุทัชฌานแล้วหรือออกจากจจตุทัชฌานแล้วอุเบกขาสูตรที่สจบ 5. อากาสานัญจาตนะสูตร ว่าด้วยอาการสานัญยตนชาญเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีท่านพระอานนณนลได้เห็นละถึงท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุวันนี้ผมเข้าอาการสาณัญยตนาชาญชาญอันกําหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ยู่โดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้ เพราะร่วงรูปสัญญาดาปติคสัญญาไม่กำหนดนานาตัดสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่และถึงหรือออกจากอากาสานัญจาตนาชาญแล้วอากาสานัญจาตนาสูตรที่5จบ